เองคงไม่รู้ถึงใจของข้าว่าข้าเสียใจเพียงใดต้องเสียเองไปด้วยความจำเป็นเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงบีบเค้นข้านั้นสุดแสนลำเค็นเสียดายเองแทบขาดใจ จะรู้ถึงความรักคาที่ค่านั้นมีให้เองถูกเขาคมเห็นแทบทนไม่ได้ถึงใครจะเปรียบคนโงเ่เหมือนควายแต่มันไม่เคยหลอกใครเหมือนคนไม่ดีบา เอ็งนักที่เคือริ่มกันทุกทนงานหนักแค่ไหนเหนื่อยเพียงใดเอ็งไม่เคยบน่นไม่ว่าจะแดดจะฝนเอ็งทนด้วยความซื่อตรงใครรอาจมองว่าเอ็งต้อยต่ำ แต่ข้าไม่เคยสนใจสุดแสนอาไล่ข้าลืมไม่ลงแม้เขายาดเหยียดเองนั้นศัตรานาดงแต่เอ็งไม่เคยคดโกรธยังพวกเป็นคนแค่เพียงร่างกาย อาจมองว่าเองต้อยต่ำแต่ข้าไม่เคยสนใจสุดแสนอะไรข้าลืมให้ลมแม้เขาอยางเหยียดเอ็งนั้นสัตสานาดงแต่เอ็งไม่เคยคตโกงอยังพวกเป็นคนแค่เพียงร่างกา